มีเด็กชายคนหนึ่งนะอายุสิบสองขวบเป็นเด็กฉลาดนะแต่ว่าสนมากนะแล้วก็ชอบหาเรื่องนะชอกต่อยกับเพื่อนเด็กคนนี้เป็นเด็กกาพร้านะก็เลยอยู่กับป้ามีวันหนึ่งเนี่ยนะเขาไปต่อยกับเพื่อนมาป้าก็เลยลงโทษวันนั้นเป็นวันหยุดปกติเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆไปไว่ายน้า เพราะเป็นหมู่บ้านชนลำบดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยบ้าไม่อนุญาตให้หลานนี่ไปไว่ายน้ําไปเล่นกับเพื่อนๆแต่ให้ทํางานเป็นการลงโทษนะงานที่ทําเนี่ยก็คือทาสีรัว้วรั้วบ้านนะอันนี้เป็นบ้านชนลำบดนะวันนั้นเนี่ยรั้วนี่มันก็ อ่าค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะนเด็กคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าห่อเหี่ยวไปเลยนะเพราะว่าแทนที่จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนต้องมาทำงานก็ขณะที่ทำงานอยู่นะฐาสีเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะสมมติว่าชื่อบอยแล้วกันนะเดินผ่านมาเพื่อนเห็นเด็กชายคนนี้สมมติว่าชื่อตุ๊แล้วกันนะ บอยเห็นตู้เนี่ยกำลังทาสีอยู่นะแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อนๆก็เลยพูดหยอกว่าเนี่ยอ้าววันนี้ทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆไม่ไปไว่ายน้ำละ่ะนะตู้เนี่ยนะเขาเป็นเด็กฉลาดเขาก็แกล้ทำเป็นทาทีเหมือนกัว่าสนอกสนใจกับการทาสี รัว้วไม่ตอบนะเหมือนกับไม่สนใจฟังเลยด้ซ้ำมานะง่วนอยู่กับการทาสีเพื่อนกนะ็บอยนี่ก็แปลกใจนะก็เลยถามอีกแล้วนะไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆเหรอนนะนะทำไมมาทาสีแบบนี้น่าเบื่อจะตายตต พอได้ฟังเพื่อนนะซักไซก็เลยพูดแต่เป็นการพูดตอบโดยที่ตาก็ยังอยู่กับการทาสีนะเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนก็นเข้าสนองสนใจการทาสีมากแม้แต่ตอบเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้หันหน้าไปตอบเขาบอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยนะให้ฉันมาทาสีวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญอย่เดียวนะ ทาสีรั้วบ้านเนี่ยพราะรั้วบ้านเนี่ยมันคือหน้าตาของบ้านเลยเราไม่ต้องใช้ความสามารถนะต้องใช้ทักษะน ะ, จะเจ้าใครมาทาเนี่ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นคนที่เก่งไอ้ว่ายน้ำเนี่ยนะมันว่ายน้ําที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ทาสีเนี่ยนะทาสีรั้วบ้านเนี่ย นานปีจะมีสักครั้งโอกาสแบบนี้หายากนะเพะ้นฉันไม่สนใจหรอกนะว่ายน้ําอ่ะฉันจะทาสีบให้เกิดสนใจขึ้นมานทีแรกว่าจะรอเพื่อนนะว่าเนี่ยเพื่อนนี่นะถูกลงโทษดทัว้งวันนะจึงไม่ได้ไปไว่ายน้ํากับเพื่อนแต่ตอนนี้เริ่มสนใจแล้วรู้สึกว่านี่การทาสีรัวบ้านนี่มัน เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะก็อยากจะทาสีบ้างแต่ว่าตู้นี่เขแก้งเป็นไม่ยอมอนุ ญ, ญาตให้เพื่อนนี่มาทาบอกไม่ได้หรอกนะไอ้นี่มันงานสำคัญนะไม่ใช่ใครจะมาทาสีก็ได้มันต้องเป็นคนเก่งคนมีความสามารถยิง่งผู้แบบนี้บอยก็ยิ่งอยากจะทาสีลบเล่าเท่าไหร่ตู้ก็ไม่ยอม สุดท้ายเนี่ยตูก็บอกว่าเนี่ยจะทาก็ได้นะแต่ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนนะตอนนั้นบอยเนี่ยกำลังกินขนมอยู่ตูก็เลยบอกเนี่ยเอาขนมให้ฉันนะเป็นค่าทาสีไอ้บอยไอ้ตูนี่ไบอยนี่นก็เลยยินดีเลยนะเอาขนมนี่ให้หมดเลยนะให้กับตู้เพื่อตัว่างจะได้ทาสีรั้ว ก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยนะตัวนี้มันไม่ต้องทาสีเองแล้วมันนั่งเล่นนะอยู่อใต้ต้นไม้ปล่อยให้บอยนี่ตากแดดทาสีไอ้บอยนี่ก็มีความสุขการทาสีนะจักพังนี้ก็มีเพื่อนคนนั่นคนนี้มาอีกเพื่อนกระถางว่าทําอะไรตูวก็พูดเหมือนเดิมนั่นเนี่ย น, นี่สังงานสำคัญนะเนี่ยบ้านนี่ไม่ใช่ให้ครมาทำง่ายๆนะเพราะว่ารั้ว่าบ้านนี่มันเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเลยเพื่อนคนแล้วคนเล่าก็สนใจนะอยากจะมาทาสีด้วยรู้ก็บอกว่าเนี่ยจะทาสีได้นะต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนนะเอาขนมมาบางคนก็มีผลไม้ ก็ยอมนะยอมมอบให้กับตู้นะเพื่อจะได้มีโอกาสทาสีรัว้วเป็นนรรมบ่ายวันนั้นนี่เนะี่ยมีเพื่อนของตู้นี่มารุมมารุมมาตุ้มกงินทาสีกันใหญ่เลยส่วนตู้นี่ไม่ต้องทำอะไรนั่งเล่นนะแล้วก็กินขนมที่เพื่อนเอามาให้เป็นค่าแลกเปลี่ยนจากงานนาะที่มันน่าเบื่อนะ งานที่มันน่าเบื่อนย่างานทาสีไปไว่ายน้ํานี่ดีกว่ากลายเป็นว่าเด็กๆนี่ไม่สนใจว่ายน้ำแนละ้วเด็กๆสนใจจะมาทาสีอั น, นี้ก็เป็นความฉลาดนะของตู้เนี่ยทําไมงานทาสีซึ่งบางคนเนี่ยหรือเด็กบางคนนี่เพื่อเป็นงานน่าเบื่อแต่ทําไมหลายคนเนี่ยกลับรู้สึกสนุกนะ ก็เพราะว่ามันเป็นงานสำคัญเขาถือว่าเป็นงานสำคัญแล้วเป็นงานที่ไม่ใช่ใครจะมาทำได้มันต้องคนมีความสามารถพอมีความคิดแบบนี้แล้วนี่การทำงานทาสีรั้วบ้านนี่เมื่อกลายเป็นเรื่องที่สนุกขึ้นมาเลยและยิ่งมีหลายคนมาทำด้วยนะยิ่งสนุกขาไปใหญ่สนุกกว่าว่ายน้ำอีกนะ อันนี้มันช่้เลยนะว่าเนี่ยงานเนี่ยจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สําคัญตั้งแต่ว่าเรารู้สึกกับงานยังไงถ้าเราเชื่อเป็นงานที่น่าเบือ่อทําไปก็ทุกข์ทำไปก็บ่นไปแต่ถ้าคิดว่าเนี่ยเป็นงานสําคัญนะเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ทําแล้วมีความสุข หลายคนทุกวันนี้เนี่ยทำงานที่ความทุกเนี่ยเพราะไปคิดว่างานไม่สำคัญเป็นงานที่น่าเบื่อที่จริงมันไม่ใช่เป็นเพราะ ง, งานหรอกแต่เป็นเพราะว่าความคิดของคนทำต่างหากนะถ้าคิดว่าเป็นงานที่น่าเบือ่อทำแล้วก็มีความทุกข์แต่ถ้าคิดว่าเป็นงานสำคัญนะเป็นงานที่ไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายๆคนทำก็จะมีความสุขนะรู้สึก มีความภาคภูมิใจและยิ่งมาทำกันหลายคนก็ยิ่งสนุกขึ้นไปใหญ่ปกติงานทาสีนี่ไม่มีใครอยากทำนะขนาดจ้างยังไม่ทำเลยนะเด็กบอกคนบอกว่าไม่เอาไปเล่นดีกว่าแต่ตู้นี่ฉลาดนะเขาสามารถที่จะทำให้เพื่อนๆ น, นี่มาทาสีอย่างสมัครใจ แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายไม่ใช่เงินนะแต่เป็นขนมยอมเสียเงินเพื่อจะได้มีโอกาสมาทาสีเอาลองนึความแล้วก็ตูวนี้ขอร้องเพื่อนนะมาช่วยทาสีนายเพื่อนก็ไม่ทำหรอกฉันจะทําน้ำไม่ฉันไปว่ายน้ําดีกว่าแต่พอเขาออกอุบายว่าเนี่ยนี่งานสําคัญนะนี่งานที่ไม่ใช่ว่าใครทําได้นะว่ายน้ำนี่ว่ายเมื่อไหร่ก็ได้แต่งานแบบนี้นี่นานปีทีหนเนี่ยเอ่านะ คนก็นก็นสนใจขึ้นมานะยอมที่จะจ่ายยอมที่จะให้ขนมเพื่อที่จะได้มาทํามันอยู่ที่เรียกว่าทัศนคตินะถ้ามีทัศนคติต่อ ง, งานแบบนี้เนี่ยทํางานก็มีความสุขแม่ต้องตากแดดแม่จะไม่ได้เล่นไปไว่ายน้ําไม่ใช่ทํางานเดียวนะเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะถ้าว่าพ่อแม่ที่ทําให้เด็กเนี่ยมีความ เข้าใจแบบนี้บ้างนะเรียนหนังสือก็สนุกนะสนุกกว่าไปเที่ยวไปเล่นซะอีกนะแต่เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะการเรียนหนังสือก็เลยเป็นความทุกข์โตขึ้นมาทำงานก็ทุกข์อีกนะเพราะว่ามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะ